พระองค์นั้นฟังธรรมคำพุท ธ, ธะว่าในครั้งนั้นท่านพระอัญญาโกธัญญะมีธรรมอันตนเห็นแล้วบรรลุแล้วรู้แจ้งแล้วยังเอาได้ครบถ้วนแล้วหมดความสงสัยปราศจากความเกลือบแคลงถึงความกล้าหาญ ไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนของศาสดาตนได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าขอข้าพระองคพึงได้บันประชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบดังนี้ว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤต พรมจันทร์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเกิดในการต่อมาเมื่อประธานโอวาสสั่งสอนพิสุท์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ด้วยธรรมกถาธรรมะจากสุขอันปราศจากชุลีปราศจากนุนดินก็ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านพระวัปปะและพระพัติยะวา สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านทั้งสองนั้นมีทำอันบรรลุแล้วเห็นแล้วรู้แจ้งแล้วยังเอาได้ครบถ้วนแล้วหมดความสงสัยปราศจากความเคลื่อบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอน แห่งาศาสดาตนได้ทูลขอบรนประชาอุปสมบทในที่นั้นและในวันต่อมาธรรมจากสุปราศจากทุลีปราศจากมนทินก็ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านพระมหานามะและพระอัสชิว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไป เป็นธรรมดาดังนี้ฉะ น, นั้นเหมือนกันท่านพระมหานามะและพระอัสชิก็ได้ทูลขอบรรพชาก็ในสมัยนั้นณป่าอิสิปตนะมเมรุขลาย ว, วันใกล้นครพาลลสีได้ตรัสกับภิกษุปัญจวัคคี่อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรูป เป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาก็หากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้จะเป็นตัวตนแล้วใสสิ่งทั้งหลายหาอย่างเหล่านี้ก็คงไม่เป็นไป เื่อผาดทางยังจะได้ตามความปรารถนาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าขอสิ่งห้าอย่างนี้จงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะความที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้นสิ่งห้าอย่างนี้ จึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าขอสิ่งทั้งห้าอย่างเหล่านี้ของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยพี่จตรงห์ไหพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าขา สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์ประเาข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระชจ้าข้าพิสศษต่้งหลาย เิาจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นสิ่งสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพิสูจน์ตั้งหลายพระเห็นนั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาอย่างได้อย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเร็วหรือประณีตทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพิสุิ์ทังหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูปเบื่อนายแม้ในเวทนาเบื่อนายแม้ในสัญญาเบื่อนายแม้ในสังขารเบื่อนายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อนาย ย่อมคลายกำหนัดพระความคลายกำหนัดเธอย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ เ, เกิดญาณย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจันท์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ ไีได้มเมื่อจบพุธธั่ำรัดนี้ภิกษุปัญจวคีีก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นหรือมั่นอยู่ว่าในสมัยนั้นในนครพระนสีมีกุลบุตรชื่อยาสะเป็นบุตรเศรษฐีเป็นสุคุมาราชายาสะกกุลบุตรนั้น มีประสาทสามหลังหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนเธอนั้นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีไม่มีบุุษเถื่อนในประสาทสำหรับที่อยู่ในฤดูฝนตลอดสี่เดือนไม่ลงจากประสาทในค้าวันหนึ่ง เมื่อยะศกุลบุตรอิมเอเพียรพร้อมด้วยการมากุลทั้งห้าที่เขาบำเรออยู่อย่างนี้ได้นอนหลับไปก่อนส่วนพวกบริวารทั้งหลายนอนหลับในภายหลังประทีปน้ามันก็ตามสว่างอยู่ตลอดคืนคืนนั้นยะักุลบุตรได้ตื่นขึ้นก่อนได้เห็นบริวารของตนกำลังนอนหลับบางนาง มีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางมีตะโพนวางอยู่ข้างคอบางนางมีเปิงมางตกอยู่ที่อกบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลบางนางบนละเมอต่างๆสิ่งเหล่านั้นปรากฏแกยศรรกุลบุตรดุดปาชาผีดิบครั้นแล้ว ความเห็นโทษโดยความเป็นโทษได้ปรากฏแกยศ ก, กุลบุตรจิตตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายจึงเปล่งอุทานขึ้นว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอได้สวมรองเท้าทองเดินตรงไปยังประตูนิเวศพวกอมนุษย์ก็ เ, เปิดประตูให้โดยตั้งใจว่าใครใ อย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตของยะสะกุลบุตรเลยดั บ, บ, บนั้นยสักุลบุตรก็เดินไปยังประตูพระนครพวกอามนุษย์ก็เปิดประตูให้ด้วยตั้งใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตของยะสะกุลบุตรเลยที่นั้น ยะสะกุลบุตรก็ได้เดินตรงไปทางป่าอิสิปตนะเมรึกรยวันในชัวัยนั้นเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคลุกขึ้นแล้วเสด็จจงกรมอยู่ณนะที่กลางแจ้งแห่งหนึ่งได้ทอดประเนรเห็นยะสะกกุลบุตรเดินมาแต่ไกลจึงเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะ ที่ปู่ลาดไว้ขณะนั้นยสะกุลบุตรเปล่งอุทานในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้ชรนรน้อยที่นี่วุ่นวายหนอะที่นี่ขัดข้องหนอทันทีทันใดนั้นพระผู้มีพระภาค ก, ก็ได้ตรัสกับยสะกุลบุตรว่าดูก่อนยสะที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยะสะัสสนั่งลงเราจะแสดงธรรมแก่เธอในที่นั้นยะสะัสสกุลบุต ร, ร่าเริงบมมันเทิงใจว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องก็ได้ถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งลงณนะที่ส่วนควรข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุบุพพิกถาคือเรื่องที่เป็นไปตามลําดับตั้งแต่เรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์โทษอันเศร้ามองต่ำทรามของการทั้งหลายและอ น, นิสงทรในการออกจากการรมเมื่อทรงทราบว่ายะสากุลบุตรมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนปราศจากนิวรณ ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ได้ตรัสพระธรรมเทศนาซึ่งพระผู้มีพระภาคทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือเรื่องทุกขเรื่องเหตุให้เกิดทุกขเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกและเรื่องทางให้ถึงความดับทุกขธรรมะจากสุปราสจากทุลีปราสจากมนทินก็ได้เกิดขึ้นแก่ยะสะ กุลบนะุตรณที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันรันในเวลารุ่งเช้ามานดาของยะสักกุลบุตรขึ้นไปยังปราสาทไม่เห็นยะสักกุลบุตรจึงเข้าไปหาเศรษฐีผู้ขรราบดี แล้วสอบถามเรื่องนั้นเศรษฐีก็ได้ส่งทูตขี่ม้าไปตามหาในที่ทั้งสี่แล้วส่วนตัวเองก็เดินทางไปยังป่าอิสิพัฒนะมรุขัยวันได้พบรองเท้าทองคำวางอยู่แล้วจึงตามเข้าไปสู่ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีผู้ขรรบดี มาแต่ไกลก็ลจึงมีพระธรริว่าใชหนอเราพึ่งบรรดาลอิทธาพิสังขารให้เศรษฐีนั่งอยู่ณที่นี้แต่ไม่เห็นย่าักดุลบุตรผู้นั่งในที่นี้เหมือนกันเมื่อได้ทรงทาดังพุทธตรริรนั้นในที่นั้นพระบารีผู้เป็นเศรษฐีมิดาของย่าศักดุลบุตร ก็ได้เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคสอบถามพระผู้มีพระภาคถึงย่าศักดุลบในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าก็ได้ดีถ้าอย่างนั้นเชิญนั่งบางทีท่านนั่งอยู่ณที่นี้จะบึงได้เห็นยาศักดุลบรผู้นั่งอยู่ณที่นี้ในครั้งนั้นเศรษฐีผู้ค็ไดอดี ราเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าเรานั่งอยู่ณที่นี้จะได้เห็นยา่าสักุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้จึงถวายบังคมแล้วนั่งลงณนะที่ส่วนควรข้างหนึ่งในที่นั้นพระพู้มีพระภาคก็ได้ตรัสอนุบุพิกถาแกเศรษฐีผู้เป็นค้ารบบดีนั้นเศรษฐีนั้นมีจิต อ่อนโยนเหมาะสมปราศจากนิวรร่าเริงแจ่มใสแล้วพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสเรื่องของอริยสัจสิธรรมจากสุขเป็นปราศจากุรีปราศจากบนทินก็ได้เกิดขึ้นแก่เศรษฐีผู้เป็นข้าราชนานะที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา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 ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไพารวนักพระเจ้าข่าไพระนักพระเจ้าข้าเปรียบเหมือนการงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่หรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันไหนก็ฉันนั้นต่อจากนี้ข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาค พร้อมทั้งประธรรมกับพระสงค์ว่าเป็นที่พึ่งขอพระองค์จงจำค่าพระพุทธเจาว่าเป็นอุบาสกผููถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตจำเดิมจากนี้ก็ในขณะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแกบิดาของยะสะกุลบุตรจิตของยะสักุลบุตรผู้พิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้ว ได้รู้แจ้งแล้วก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นหรือมั่นในเทือ น, นพระผู้มีพระภาคได้ทรงมีพระํา ร, ร, ริว่าก็เมื่อเราแสดงธรรมแก่บิดาของยะสักุลบุตรอยู่จิตของยะสักุลบุตรผู้พิจารณาเห็นภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วรู้แจ้งแล้วเกิดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นหรือมั่น ยสะกุลบุตรไม่ควรจะกลับไปเป็นครือขัดผู้บริโภค า, ามเหมือนเราอรบดีทั่วไปในครั้งก่อนจึงได้ทรงคลายอิทธาภิสังขารเศรษฐีผู้เป็นบิดาได้เห็นยัสะกุลบุตรนั่งอยู่จึงได้กล่าวขึ้นว่าพ่อยาสะม a n d าของเจ้าเจ้าโศกร่ำครวญถึงเจ้าจงให้ชีวิต แกบรรดาของอเจ้าเถิดในครั้งนั้น ย, กกยัสสกุลบุตรได้ชมเลืองดูพระผู้มีพระภาคในที่นั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสแก่เศรษฐีผู้เป็นบิดาว่าเรื่อรบดีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรยัสั ก, กุลบุตรได้เห็นธรรมด้วยญาณทสนะเพียงเสขับภูมิเหมือนท่านเมื่อเถิดพิจารณาภูมิธรรม ตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตก็พ้นจากอาสวัตทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น ก, าาก็ับพอดียสะกุลบุตรควรแล้วหรือเพื่อจะกลับเป็นเครื่องหัดบริโโคการรมเหมือนอย่างในครั้งก่อนข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าข้าการที่จิตของยสะกุลบุตรพ้นจากอาสวัตทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้น เป็นลาบของยะสั ก, กุลบุตรยะสักกุลบุตรได้ดีแล้วขอพระผู้มีพระภาคมียะสะ ก, กุลบุตรเป็นสมณะผู้เดินตามหลังทรงทรงรับพระทหารของข้าพเจ้าเพื่อเสวยในวันนี้เถิดในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับที่มนต์แล้วเศรษฐีนั้นจึงได้ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเดินกลับไปแล้ว ในที่นั้นยัสะกุลบุตรจึงได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคและพระยัสะได้รับบิณฑบาต ท, ที่นิเวศของท่านเศรษฐีผู้เป็นกรรบดีได้แสดงธรรมให้แก่มารดาของยัสะกุลบุตรและภระยาเก่าฝังและนางทั้งสองได้มีธรรมจักสุ ปราศจากทุลีปราศจากมวลทินได้เกิดขึ้นนั่นนี้ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาในการต่อมาสหายสี่คนของท่านพระยสะคือวิมลสุภาหุปุณณชิและขะวัมปติได้มาฟังธรรมในสำนัก องพระผู้มีพระภาคมีจิตอาหารร่าเริงจำใสแล้วได้มีธรรมจักสุปราศจากทุลีปราศจากมุลทินเกิดขึ้นข้ามล่วงความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งาศาสดาตนได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบท เมื่อพระผู้มีพระภาคอบรมสั่งสอนสาวกเหล่านั้นอยู่จิตของเธอเหล่านั้นก็พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นหรือมั่นในสมัยนั้นก็มีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นแล้วสิเป็นองค์ในโลกคือพระผู้มีพระภาคปัญจับวกีกิทั้งห้ายัสสกุฏบุตรและเพื่อนของพระยัสะสี่องค์ในการต่อมา สหายของท่านพระยศะอีกห0สิบคนได้ทราบล่าวว่ายศะกิกุลบุตรปล่งผมและหนวดกรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วก็จึงมาขอฟังธรรมในสำนักพระผู้มีพระภาคได้ดวงตาเห็นธรรมจึงขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคได้แสดงธรรมมิกถาให้ยิ่งขึ้นไป กุลบุตรเหล่านั้นจึงได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็ในสมัยนั้นมีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลก61องค์คือพระผู้มีพระภาคเจ้าหนึ่งบรรจกกับวิกีทั้งห้าท่านพระยาศะกุลบุตรและสหายของท่านพระยศะ44สคนนะป่าอีสีปตนะมฤคตยวันได้ตรัสกับพระอรหันต์สรูปแรก อย่างนี้ว่าพิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงท้องปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์แม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงท้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลก เพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันสองรูปพวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นให้งดงามในท่ามกลางให้งดงามในที่สุดลงรอบจงประกาศพรหมจรรย์ให้เป็นไปพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งผยญช น, นะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่แม้เราเองก็จะไปสู่อุรุเวลาเซนานิคมเพื่อแสดงธรรมในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค เสด็จจาริกโดยลำดับถึงตำบลอุรุเวลาแล้วก็ในสมัยนั้นแลมีชรินสามพี่น้องคืออุรุเวลากัสปะหนึ่งนาทีกัสปะหนึ่งขยากัสปะหนึ่งอาศัยอยู่ในตำบลอุรุเวลาบรรดาชรินสามคนนั้นชรินชื่ออุรุเวลากัสปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกสอน เป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของสลิน500คนส่วนสลินชื่อนัตตกาสปะเป็นประธานของสลิน300คนสลิน ช, ชื่อขยากาสปะเป็นหัวหน้าของสลินอีก200คนพระปู่มีพระภาคได้เสด็จไปสู่อาสมของสลินชื่ออุรุเวลากาสปะได้กล่าวกับ อุรุเวลากสปะว่ากสปะถ้าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาไฟสักคืนหนึ่งข้าแต่ท่านสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยแต่ในโรงบูชาไฟนั้นมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสสารพิษมีพิษร้ายกาดอย่าเลยท่านมันจะทำให้ท่านลาบาก แม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ตรัสอย่างเดียวกันกับครั้งแรกอุรุเวลากับสปะก็ได้ตรัสอย่างเดียวกันกับครั้งแรกแม้ครั้งที่สก็อย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอุรุเวลากับสปะว่าบางทีพญานาคอาจจะไม่ทำเราให้ลําบากกันสปะเอาเถิด ขอท่านจงอนุญาตเราในโรงบูชาไฟนั้นข้าแต่ท่านสมณะท่านเชิญอยู่ตามสบายเถิดในที่นั้นพระผู้มีพระภาคก็เสด็จเข้าไปสู่โรงบูชาไฟแล้วปู่ย่าก็เรืองราดประทับนั่งกูบรลังตั้งกายตรงดารงสติอยู่เฉพาะหน้าก็ในที่นั้นพญานาคนั้น ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปแล้วมีความขึงเครียดไม่พอใจจึงบังหวนขวัญขึ้นพระผู้มีพระภาคก็ได้บรรดาลอิทธาพิสังขารบังหวนขวัญขึ้นแล้วพญานาคนั้นทนความลบหลู่ไม่ได้จึงพ่นไฟสู้ในทันทีแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงเข้ากสินสมาบัตมีเตโชธาต เป็นอารมณ์บันดาลไฟต้านไว้เมื่อเป็นอย่างนี้โรงบูชาไฟมีแสงรุ่งโรดเป็นเปลวเพลิงดุดไฟลุกไหม้ไปตัวพวกชลินพวกนั้นพากันล้อมโรงบูชาไฟคิดว่าพระสมณะรูปงามคงถูกพญานาคเบียดเบียนเป็นแน่พระผู้มีพระภาคได้ทรงคราบงาม ฤทธิเดชของพญานาคนั้นด้วยฤทธิเดชของพระองค์ไม่กระทบกระทั่งผิวหนังเนื้อเอน็นกระดูกและเยื่อในกระดูกทรงขดพญานาคไว้ในบาดโดยผ่านราตรีนั้นแล้วทรงแสดงแกชลินอุรุเวรากระสปะด้วยพระดารัสว่ากระสปะนี่พญานาคของท่านเราก่องํ า, งาเดชของมัน ด้วยฤทธิ์ของเราแล้วในที่นั้นชรินอุรุเวลากสปะได้มีความคิดว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่จึงครอบงำฤทธิเดชของพญานาคที่ดูร้ายมีฤทธิ์เป็นสารพิษมีพิษร้ายกาดด้วยเดชของตนได้แต่ว่าพระสมณะนี้คงไม่เป็นพระอารรณ์เหมือนเราแน่ก็ในสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคได้แสดงอิทธาภิสังขารถึงเจดวาระด้วยกันแต่ชลินุรุเวลากระสปะก็มีแต่ความคิดว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่พระผู้มีพระภาคได้ทรงมีความคิดอย่างนี้ว่าโมฆบุุรนี้มีความคิดแต่อย่างนี้ว่า พระสมณะนี้มีฤทธิ์มากแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่ถ้าใครเราจะพึงให้ชลินนี้สลดใจจึงได้ตรัสกับอุรุเวลากษบะว่ารู้ก่อนกษบะท่านไม่ใช่พระอรหันต์แน่ทั้งยังไม่พบทางแห่งความเป็นพระอรหันต์แม้ปฏิปทาของท่านที่จะเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์ หรือพบทางแห่งความเป็นอารหันต์ก็ไม่มีในที่นั้นชรินอุรุเวลากษะปะได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทและเหล่าบริวารของชรินอุรุเวลากษะปะทั้งห้าร้อยคนนั้นก็ได้พึงขอบรรพชาอุปสมบทด้วยและในการต่อมาเราชรินทั้งสองคือชรินนาทีกษะปะ และชลินขยากสปะพร้อมทั้งบริวารได้ปลงผมและหนวดทูลขอบรระชาอุปสมบทในสำนักขอ ง, รรของอรพระผู้มีพระภาคกระนั้นที่ตำบลอุรุเวราพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่จำนวนหนึ่งพันรูปรวนเป็นปุราณชรินได้จะริกไปถึงตำบลขยาศีศะ ได้แสดงอาทิตตะปริยายสูตรเมื่อแสดงอาทิตตะปริยายสูตรจบเล่าภิกษุพันรูปนั้นว่าพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นหรือมั่นดังนี้ฟังธรรมคำพุทธะ